ภาวนาด้วยบทสวดมนต์ถ้าภาวนาด้วยบทสวดมนต์เป็นการปฏิบัติสมาธิแบบฤาษีเพราะฤาษีเขานับถือพระพรมทีนี้นักภาวนาแบบอิทธิฤทธิ์เขานับถือพระศิวะพระวิษณุพระพิคเนตเวลาเข้าภาวนาเขาก็โอมพระศิวะแล้วก็พันณนาคุณของพระศิวะเรื่อยไปอันนี้เราภาวนาแบบพระพุทธเจ้า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 เราจะไม่สวดอะไรก็ได้กำหนดสติรู้จิตเฉยๆถ้าจิตนิ่งๆปล่อยให้นิ่งไปถ้ามันคิดให้รู้นิ่งให้รู้คิดให้รู้นิ่งให้รู้ตามันอยู่อย่างนั้นแต่การไม่สวดมนต์เลยจะเป็นแนวทางให้ขี้เกียจเกินไปมีสวดบ้างก็จะได้ปลุกใจให้ขยันขึ้น